หมวดที่ 1. ภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับตัชนียกรรมแก่พิกษุผู้ประกอบไดยองค์5คือ 1. ให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สามเณรอุปถาก 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนพิกษุนี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนพิกษุนี ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับตัชนียกรรมแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหละ